อดีตชาติของทุกคนมีมากมายนักจึงได้ทํากรรมกันไว้มากมายนักกุศลกรรมบ้างอกุศลละกรรมบ้า ง, ารรางชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างคนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็โดยอํานาจของกุศละกรรมคือการบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่นที่ได้กระทาไว้ในอดีตชาติเมื่ออกุศลกรรม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 บางคนกรรมชั่วอาจมากกว่าบางคนทำกรรมดีที่ไม่สำคัญไม่ยิ่งใหญ่แต่ทำกรรมไม่ดีที่สำคัญหนักหนาเช่นนี้ยอมได้สวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ยอมประสบส่วนดีน้อยกว่าส่วนไม่ดีส่วนผู้ที่ทำกรรมดีมากทำกรรมไม่ดีน้อยเช่นนี้ ย่อมได้สวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดีดังมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้เมื่อกรมดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กรรำไม่ดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมดีอาจส่งผล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 แต่ถ้ากรรมไม่ดีแรงกว่ากรรมดีกรรมไม่ดีก็ต้องส่งผลจนได้กรรมดีหาอาัจขัดขวางได้ไหมอะไรอะไรก็หาอาัจขัดขวางได้ไหมชีวิตนี้น้อยนักคือชีวิตในพภพภูมินี้ในชาตินี้